ปาละเตยอยู่ตัวทุกข์กำลังตุศงขคันมิตการบุญบอาจารย์พระเดือนานุเสระบุญอาจารย์ทุกสันหลวงพ่อเนยพระลุงเฟยลุกเนยพกทุกข์านเริพร โอติทุกคนทุกคนไม่ได้พูดฌานสมาินานแล้วก็เลยลืมไปหมดเลยแหละไม่รู้อ่กปะเรามาและเกิดมานี่เรามาศึกษาตัวเองคือเราอยู่กับความหลงมาแต่เกิดมา มาสร้างสันติวิตตัวเองบางทีก็ทุกข์บ้างบางทีก็สุขบ้างสารพัดจังแต่มันจะพาเป็นไปไปตามความคิดไปเรื่อยๆไปจนหลงหลงไปจนถึงตายเกิดมาในชาตเนี่ยจกไม่รู้วกี่ชาติแล้วแหละแต่ริดบุบวบวนเวียนมาแต่เกิดอยู่ในนี้ถูกทุกข์ทุกขทุกพบ หองอยู่ตลอดจนเขาทาความผิดพลาดตัวเองเนี่ยไม่ดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาอายุหนึ่งขวบไปถึงร้อยปีก็มีทางกรรมที่ให้ตัวเองไม่รู้จะไปที่ไหนตายแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนเกิดแล้วจะเกิดมาทำไม แล้วก็ไม่รู้จักรู้จักแต่การหาอยู่หากินอยากได้นั้นอยากได้ไม่ไม่มีที่ที่นยุดไปเรื่อยๆไปแล้วก็ไปยึดมั่นในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นไม่รู้จักกดไม่รู้จักปอยไม่รู้จักระมมนรู้จักวางมีแต่สร้างกรรมให้ตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปไม่มีวันหยุดมันจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไป เกิดทบใดชาติใดก็หมายใต้แค่แค่กรรมตัวเองนม่เวียนว่าตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมาทำเอาของใครของมันใครทำดีก็ได้ดีทำเชื่อก็ได้เช่วมันจะเป็นหมุนกันอย่างนี้จนที่วิธีใจของเรานั้นไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาหัดไม่ได้มาเขา้ารู้เป็นแต่พูดเป็นกับเขาถูกแล้วแต่เขาจะชวนไปที่ไหนเขาจุไกไปที่ไหนก็ไปตามยถากรรม ไปตามยถากรรมเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นเรามาทีนี่เราต้องมาศึกษารู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคนรู้จักโทษบุญนี่เรารู้จักอย่างเท็เกณฑเลยที่เรามาทําเนี่ยถ้าแต่ตะขอนเราเพือเชิญไปสุขอย่างไปตับกับผมชั่วบ้างกับผมดีบ้างเพราแต่อยากได้สิ่งใดอยากมีสิ่งใดที่เราปรารถนาอยากได้ ก็ไปยึดม <Q> ั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเนี่แหละตลอดทั้งคนชั่วอีกก็ไม่รู้จักปล่อยจากร้ายจากวางไปยึดมั่นถือมั่นในถึงนั้นถึงนี้อถ่ายเก็บอกเก็บใจขึ้นมาแค้นอกแค้นใจขึ้นมากับผู้ใดก็ไม่ลืมไม่ลืมยึดมั่นถือมั่นจนวันตายก็ยังไม่ลืมสิ่งที่มันเป็นมันเนี่มันจะพาเราไปไปสร้างขึ้นเป็นภพเป็นชาติ เราปรืสร้างกรรม้งเวรให้ตัวเองเพราะฉะนั้นให้เรากลับขึ้นมานี่ปฏิปฏิแปลว่ากลับเราไปไม่กลับเราหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเพราะอะไรเพราะในสิ่งนี้วันนี้เราจะมาดูกลับมาดูคือเองคือมาดูตัวเองคือมาดูความคิดตัวเองเราจะไม่ไปตามใจตัวเองเราจะเรียกหาโอ้ถึงที่ไม่ ผิดถิ่นไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้าเมืองเราจะพยายามทำคุณงามความดีให้แกหมู่สัตว์หรือพวกมนุษย์โดยด้วยกันเนี่ยให้มีความเมตตากระดุนา้มูเลต้าเบียดขาต่อกันไม่ยึดมั่นถือมั่นทิ่งในที่ผิดก็ค่อยปล่อยคละค่อยวางไปทิ้งในที่เกิดก็ให้มันอย่าให้มันเกิด สิ่งในเล็กๆก็ามนหมดไปสิ่งเป็นอดีตแต่แล้วจะเอามาคูด่าเอามาคุยจะย เ, ยยเอามาคิดให้อยู่ในปัจจุบันขณะขณะที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเห็นแล้วเรารู้สิ่งดีเราก็รู้สิ่งชั่วเราก็รู้รู้แล้วก็กทิ้งไปรู้แล้วก็ทึงไปทั้งดีทั้งชั่วมันเกิดมาด้วยกันมามนเกิดมาพร้อมกัน ถ้าตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งก็มีถ้าตัวหนึ่งไม่มีตัวหนึ่งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้เราปล่อยละวางให้ดูตัวเองถึงไหนเกิดมันจะเกิดก็มาเกิดถึงไหนจะดับก็มาดับตัวแล้วแต่มันจะเกิดถึงแมันดับไม่บังคับบัญชามันไม่ได้เพราะว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่ต้องเป็นผู้เป็นเราเห็นแล้วกเราก็แล้ยวไปทิ้งไปปล่อยไปวางไป ไม่พิจ์มั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งหมดเพราะเกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรมีแต่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสิ่งที่คําว่าเที่ยงไม่มีมีแต่ละสลายไปด้วยกันหมดทุกอย่างเราเพราะฉะนั้นให้เราพยายามมาดูจิตดูใจของตัเองมาสวกคิดเพื่อใจชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาหวังอยกกากอยู่ในความก้าวหน้าความดีแล้วก็ให้รู้จัก อย่าไปตามใจตัวเองสิ่งที่มันเกิดมาไม่ใช่เกิดมาที่ไหนเกิดมาจากช<ม>ีวิตจิตใจของเราที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้มาหัดมันก็คิดไปตามตามความอยากของมันไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยไปจนไม่มีที่ทิ้นตุดเพราะฉะนั้นให้เรากลับคืนมาปฏิปฏิไ ป, ป, ป, ปว่ากลับมาดูความคิดมาดูการกระทาของตัวเองเคยทำขั้วเคยทา ดีมากสะสมโฟนกันไปข้อขอให้พยายามทุกเนี่ยทุบดูกายดูใจของเราเนี่ยมาฝึกกายฝึกใจของเราอ่สิ่งที่มันประกอบนี่ก็มีหลายอย่างอยู่ที่ในตัวของเราของเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่กายกับใจของเราเนี่ยให้เราพยายามมาศึกษาให้กายกับใจเนี่ย มันอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนให้มันเป็นหนึ่งกายเคลื่อนด้วยวิธีใดก็ตามให้มาดูดูแล้วก็อย่าไปตามมันสิ่งในที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่พามันทําไม่ได้พามันไปเราต้องต่อต้านมันคือเราเดินไปเนี่ยเดินไปนี่อะไรเกิดเเราจะรู้จักหมดเลยเรามาปฏิบัตินี่คือมาเบิงมาดูมาดูการเคลื่อนไหวของกายกับใจของเรา เออบางทีก็ดีบางทีก็ทั่บางทีก็หนักบางทีก็เบาบางทีก็เจ็บก็ปวดบางทีก็เมื่อยละเมื่อยละเออเดือดร้อนไปตามๆกันไปเลยเยะเรยอยู่เสมอเ้าไม่ได้ดูมาดูมันก็เป็นไปกับมันถ้ามาแล้วกลับขึ้นมาดูเนี่ยเราจะถึงไหนมันเดินไปมันมันติดไปมาตามความชอบของมันเราก็จะเห็นเออเนี่ยสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดี ถึงนี้ควรทำถึงนีไม่ควรทำเราก็รู้จักรู้จักกิจของเราเนี่แหละมันจะพาเราไปที่ไหนเราก็ให้ดูเนี่ยมันเฟื่อินไปไหนก็ให้ดูให้ดูจะชัดให้มันกลับขึ้นมาพอคิดปับแล้วเให้ไม่ต้องไปเป็นพลเป็นกับมันมาดูกายเคลื่อนไหวกายของเราเนี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจใจไว้เพราะว่า นิมิตทุกอย่างมันเกิดด้วยกับกายของเรานี่ความร้อนความหนาวความรักความฉังความอิทธาความพยาบามสารพัดความอยากได้นั้นอยากได้นี่อยากเป็นนั้นเป็นนี่อยู่กับกายของเรามันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นหมดจิตใจเป็นผููนุกพูคิดฟูกรูฟูแต่งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ช่วนชวนจะกายของเรานี้ไปกายของเรานี้เป็นทาสของเขาเท่แล้วแต่เขาจะชวนไปไหนมันก็พาไปหมดอแล้วก็ออะไรเกิดขึ้นก็มันเกิดขึ้นด้วยกับกายของเราเนี่ย ความเก็บความปวดความเหนื่อยความล่าความขี้เกียจแค่ข้ามความอยากเป็นโน้นเป็นนี่เมื่อก็เกิดอยู่กับกายของใจของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขามาพึ่งกายของเราเนี่ยมันสนุกมันก็มันเก็บมันปวดแล้วก็เห็นมันอยากมันขยันมันจะไปทํานั้นทํานี่มันก็รู้จักรู้จักจิตใจมันนึกมันคิดนี่รู้จักกายเคลื่อนไหว กาเคลื่อนไหวไปมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันด้ามันหนียวมันอะไรสารพัดมันเป็นของที่ไม่เที่ยงแต่เดียวมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปมันไม่ใช่มันจะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีดีบ้างมีสุขบ้างเกียรพนมันเป็นธรรมดามันก็เป็นอย่างนั้นบัดนี้เรารู้จักว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ไปดูมันดูเข้ามาแล้วก็แก้ในปัจจุบันนั้นเลยอะไรเกิดก็มันเกิดอะไรดับก็ให้มันดับแต่ก่อนเราเคยไป ห้ามมันไม่ให้มันอยากมันคิดอย่างนั้นไม่ให้อยากคิดอย่างนี้เไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันไม่ถูกใจของเราเราก็ไปห้ามมันไว้นี่ที่สิ่งที่ไม่ที่สิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นมาเรื่องเกิดขึ้นมาจะพยายามให้มันหนีแล้วพยายามให้มันไปไหนแล้วให้มันอยู่กับเรืองนี้ปัจจุบันเนี่ยพยายามดึงไว้เมื่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปกิจของเราถ้าไปเราเป็นเปลี่ยเป็นกัะมันมันปรุงมันแต่งมัน เขาเรียกว่าสร้างภพสร้าชาติของเราหาที่เกิดเกิดตั้งแต่เรายังไม่ตายความเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เรารู้จักรู้จักเห็นความคิดให้มันทันความคิดให้มันรู้ความคิดจะเป็นผู้เป็นเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในความคิดนั้นเมื่อก็มื่ก็หายไปมัอนมันเกิดขึ้นเพราะความคิดนั่นแหละพาดีก็เป็นความคิดพาเสียใจมันก็เป็นความคิด ไปตีไปฆ่าเกันฆ่าลาวีกันอะไรก็เป็นตัวกับคมคิดเราไม่เห็นความคิดเราก็เป็นไปตามความคิดถ้าเราดูเท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้จะรู้จักเข้าใจรู้จักรู้จักยับยั้งจิตชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นผู้เป็นเมื่อก็เห็นตัวเห็นไปอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปเห็นอยอื่นเห็นใจของเรานี่แหละเห็นตัวของเราเนี่ยก็มาแก้ตัวเองเนี่ยไม่เกิดที่ไหนก็ต้องแก้เที่นั้น เพราะนั้นให้ตัดอดีตออกที่ผ่านมาแล้วพยายเอามาพูดเอามาคิดของเก่าๆที่มันเคยคิดขึ้นมาเคยรักก็ดีเอยแข่งก็ดีถ้าไปเอาอดีตที่ผ่านมาแล้วนั่นแหะมาคิดขึ้นมามันก็เป็นของใหม่เนีเป็นของใหม่มันลืมไม่เป็นหรอกถ้าเราไม่อยากถอดตะถอนถ้าเรารู้จักแล้ววันมีพิษมันมีภัยเรื่องนี้เราก็จะรู้จักจับย่างรู้จักหยุด คือมาอาศัยกายเจ้าของนี่แหละเคลื่อนไหวให้รู้จดจอการกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกให้เอาใจมาไว้กับกายนี่พามันเคลื่อนไหวให้มันรู้เอามือพลกมขึ้นเอามือลงให้อยู่ตามสภาวะของที่มันพาหลวงฟาแต่งอยู่นี้ให้เราดูให้ดีดูแล้วก็ค่อยจดจําไว้อย่าไปเป็นผู้เป็นอย่าไปบังคับมันที่จะบังคับมันไม่ได้ะ ไปบังคับให้มันหายไปก็ไม่ได้จะไปบังคับให้มันเกิดก็ไม่ได้ทุกสิ่งที่อห่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสัญชาตญาณของสัตว์ของเรามันมีเป็นอยู่นั้นวันนี้ให้เรารู้จักมาดูกายเคลื่อนไหวให้ดูให้ใจรับรู้เข้ามาอาศัยตัวนี้มาพึ่งตัวนี้ถ้าเราอยู่กับตัวลูกนี่มันจะรู้จักถ้าเราสร้างเข้าไปนาน มันก็จะมาอาศัยตัวรู้นี่แหละเกิดมาปั๊บเรารู้จักรู้จักแล้วแล้วก็สบายใจไปทเรากลับขึ้นมากลับขึ้นมาไม่ต้องเป็นผู้เป็นแต่ก่อนเราเป็นเป็นผู้เป็นเป็นวิสุขเป็นผู้ทุกข์ป่านนี้เราเห็นทุขเราก็เห็นทุกข์เราก็เห็นเราออกมาได้เราก็อยู่เป็นปกติพยายามนั่นแหละให้พยายามทําให้มันเข้าใจในขีดของเรามันไม่มีหลายมันมีไม่มากหรอกตั้งแต่ก่อนเรา มันมีมากมันค่วงมันไกลดำมาติดอารมณ์มันถงนอกมือตากระทบรูปหัวกรทบเสียงรูปเสียงกินลูปเหยื่อพระทำอารมณ์อันนี้แหละมันมันมาติดอยู่แล้ติดอยู่ถ้าเรารู้จักแล้วเรารู้จักยับยั้งไว้โอ้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นนี้ไม่เกิดขึ้นมาเราถ้าเราไปยึดมันถึงมันมันก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเกิดมันถึงมันว่าอันนั้นมันดีอันนี้มันชั่ว เราก็อยากได้ไปติดอกติดใจกับมันตาไปติดกับคำคิดนัตาเมื่อก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ไปยืนมันเติมมันเลยธรรมชาติของเขามันเป็นอยู่นี้ตาสําหรับรู้หูก็สำหรับสำหรับรับฟังฟังแล้วก็ไม่ให้พมันปรุงมันแต่งมันก็แค่ให้เราเห็นเห็นด้วยความเป็นจริงคือเห็นไม่สวยไม่งามอันสวยงามก็รู้จักอยู่แต่ว่าเราไม่เข้าไม่เป็น เพียงรู้จักแล้วมันก็มันก็หยุดไปเนี่ยมันจะเข้าใจยับยั้งตัวใจตัวเองตั้งแต่ไปเห็นทีแรกนี่แหละไปเห็นเนี่ยเกิดพบเกิดชาติเราก็ไปเห็นตอนที่เราเห็นความคิดตัวเองนี้นี่แต่ออก่อนมันก็เคยคิดไม่รู้่คิดเอาอะไรเรื่องอะไรมาคิดคิดเป็นเป็นผู้เป็นวันนี้เรามาดูกายเคลื่อนไหวเเราก็เห็นความคิดตัวเองมันก็รู้จักยับยั้ง เออสติของเราแก่กล้าขึ้นมาเห็นเห็นว่าโอ้มันมีพิษมีภัยตัวนี้เออเมื่อก็ไปเห็นแล้วเมื่อก็อขาดออกไปมันไม่ไปยึดมั่นถือมันคือแตะขอนเออหลายขั้นหลายทีเข้ามาแล้วก็เราอยู่กับตัวรู้เนี่ยจะเดินสติเข้ามากๆเออแก่กล้าเป็นมหาสติแล้วเห็นอะไรมันก็รู้ไปหมดเลยเนี่ยพอคิดจริงจริงตัวมามันก็รู้จะเดินไปก้าวใดก้าวใดก็รู้มาอาศัยตัวเคลื่อนไหวนี่ เนี่ยไม่มาอยู่นี่มันขายไปพราะสติเราเป็นเนมหาสติแล้วก็มันจะขาดออกไปเลยพอเห็นินคิดปั๊บมันก็ออกขาดออกไปคิดปั๊บมันขาดออกไปเนีมีอะไกิดว่างต่อไปก็ค่อยว่างออกว่างออกมันก็ทํางานด้วยกิดว่างอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยเห็นทิ้งนั้นเกิดแล้วก็รู้ทิงนี้เกิดเรารู้รู้เท่ารู้ทันมันมันก็หายไปมันก็หายไป มันจะเป็นอยู่นั้นทําให้ใจิตใจของเราเนี่ยมันสดมันใสมันสว่างสวัยเกิดขึ้นมาอะไรเกิดเมื่อเล็กๆน้อยๆมันก็เห็นไปหมดเห็นแนวก็แล้วไปเห็นแน้วก็แล้วไป่มันก็เกิดความสว่างสวัยเกิดความเบาอกเบาใจเบากายทั้งหมดนั่นเดินไปด้วยวันเนี่ยเราถับไปดูเมื่อไหร่เราก็รู้จักเราก็จะ ด้วกาพยายามจริงในที่มันไปทางนี้เนี่ยมันเราจะตั้งพยายามดูมันไปมันใจวันหนึ่งมันอยู่ได้อยู่พตลอดวันไหมไถ้าอยู่จังกี่วันอัทีให้เราคอยพยายามคําประกองชีวิตของเราไว้ตัวเนี่ยเราให้มีสติรู้ดูอยู่ให้อย่าไปเป็นผู้ไปบังคับมันให้ปล่อยปล่อยใจของเราเป็นธรรมชาติอยู่ ไปเป็นอย่างอยู่อย่างนั้น้าพไม่เห็นเป็นอะไรมันก็เาไม่ได้หรอกสุดแล้วแต่มันจะเป็นเราไปบังคับมันอะไรมันก็ไม่ได้ให้มีมณะให้ดูตัวเองให้พยายามทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปมันจะค่อยเป็นของมันเองเนีว่าแต่เราอยู่ในความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเนี่มันก็จะค่อยอะไรเกิดขึ้นมานิ้วเราก็ค่อยไปค่อยมามันก็จะเป็นของมันเอง นั่นแหละให้พยายามการปฏิบัติพิสูจนปฏิบัติเนี่ ย, ยอย่าคุยกันตั้งอกตั้งใจฟังอย่าไปดูคนอย่าไปดูคนอื่น พ, พ, พ, พ, พวกพระเก่าพระกับพระบวชใหม่เนี่ยอย่าไปดูอันพระเขาท่านเขินมาก่อนแล้วท่านแล้วเข้าใจรู้แล้วท่านก็รู้จักาาประคับประคองใจตัวเองรู้จักดูกตัวเองนี่ท่านเห็นท่าน ไปทำอะไรก็ไปทําตามท่าหนดนั่นแบบม่ก็ไม่ได้เราก็ต้องดูตัวเองว่าคนนั่นก็ไม่ทําคนนี้ไม่ทํำผู้ท่านทําเราก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าท่านเป็นคนเก่าพ่าอยู่อะไรก็ให้อยู่อยู่กับความรู้สึกอะไรเกิดมาก็รู้ก็รู้อยู่ในปัจจุบันเรื่อยๆไปพวกเรายังไม่ได้เข้าใจก็พยายามทําอย่าไป คุยกันเป็นจับเป็นปุ้งเป็นหมูถ้าเรารักกันจริงๆอย่าไปคุยกันให้ต่างคนต่างอยู่เหมือนดูคนเดียวในหลายคนนั่นน่ะถ้าเราคุยกันก็ทำเราไปลาทําลายพวกหมูเดียวกันนั่นแหละอย่าไปเป็นอย่างนั้นต่างคนต่างเอาอกเอาใจตัวเองอย่าดูขอคนอื่นของอือ่นเขาพูดเขาคิดเพื่อเขาเรียกของเขาข พวกที่ยังไม่มาฝึกก็พูดไปอย่างหนึ่งคนที่เคยฝึกมาแล้วก็เป็นอย่างหนึ่ ง, งต่างคนต่างารู้จักจิตใจตัวเองพวกที่เขาไม่ได้มาฝึกมหัดเขาก็เห็ุไปตามยาถากรรมของเขามันเป็นอย่างนั้นเนี่แหละมันเป็นของที่ไม่เที่ยงในโลกลไม่มีสิ่งที่เที่ยงจัดสักอย่างเดียวนี่แหละเราไม่รู้จักกดไม่รู้จากปล่อยมันก็เป็นภูมิอยู่นั่นแหละเรารู้จักแล้วเราก็จะมาฝึกมหัดเนี่ย เราอย่าไปประมาทเราอย่าไปอยู่กับสิ่งที่มันเคยเป็นออกจากสิ่งที่มันเคยเป็นนะนะมาเป็นผู้ใหม่มาดูตัวจิตตัวใจของเราเองมันจะค่อยเป็นเองไปบังคับบังทามันไม่ได้สิ่งใดมันก็เกิดแต่แต่สารพัดตั้งแต่มันจะเกิดมาถึงเติมเติมแล้วมันจะเป็นแต่อได้แต่มันจะคิดให้เราดูตัวเราเอง รู้จากโปรดจากปล่อยจากละจากวางอย่าไปถือสาอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติตันชาติยานของอมมันจะอยู่นั่นว่าแต่ให้เรารู้เท่าทันแล้วก็เป็นพอแล้วเอาละผมพุดมันดีกว่าสมควรเจ็บเวลาเขายุติแต่เพียงเท่านี้